วางโครงสร้างคือหมายความว่าสถานที่สถานที่นั้นมันจะมีความหมายเพราะว่าสถานที่คือชัยภูมิสร้างบ้านสร้างอาคารสร้างอะไรต่างๆนั้นก็มองสถานที่เป็นหลักเราสร้างสมาธิเราก็อธิบายไปแล้วตลอดถึงอากาศตลอดถึง ฝูเขา่าตลอดถึงเวลาตลอดถึงอะไรต่างๆหมายความถึงการวางแผนเพราะฉะนั้นการเรียนสมาธินี่จำเป็นที่จะต้องตั้งหนึ่งแล้วก็ไปจบเอาเลขที่ทเท่าไรก็จบแล้วแต่แต่ว่ายังไงก็ต้องตั้งหนึ่งแต่ว่านักศึกษารุ่นอินทรียเนเดินเร็วไปหน่อยยังไม่ทันตั้งหนึ่งก็ถามสองแล้ว อย่างไรก็ตามวันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นหมายความว่าจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นเขียนไว้ว่าความตั้งใจเราก็ต้องศึกษาถึงเรื่องว่าคนเราเนี่ยมันต้องมีทั้งกายและมีทั้งใจถ้ามีแต่ใจทําไม่ได้ถ้ามีแต่กายไม่มีใจก็ทําไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น ถ้าเราจะทำสมาธิเราก็ต้องพร้อมทั้งสองอย่างหมายความถึงความพร้อมร่างกายไม่วิกลวิการจิตใจไม่วิปริตพราอะไรจึงต้องเป็นแค่นั้นเพราะว่าสมาธิเป็นเรื่องสำคัญมีความสำคัญอยู่ในตัวของสมาธิเองด้วยเหตุอย่างนี้ถ้าร่างกายวิกลวิการ ไมตตาว่าจะมาตั้งท่าต่างทางได้อย่างไรหรือถ้ากายวิปฤวก็ไม่รู้จะไม่ชุ่โธได้อย่างไรก็เป็นอันว่าเมื่อขาดทั้งกายไม่พร้อมทั้งสองอย่างก็เป็นอันว่าทําสมาธิไม่ได้แต่ว่าบางคนนั้นมีร่างกายพิการแต่ใจยังไม่พิการก็ยังมีโอกาสอยู่ แล้วก็โอกาสของเขาจะให้เหมือนกันกับผู้ที่พร้อมทั้งใจทั้งใจนั้นก็สู้คนที่มีความพร้อมไม่ได้คนที่จะทำอะไรสักอย่างนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้ใจในี้เป็นผู้สั่งการสั่งการว่าข้าพเจ้าจะทำสมาธิความตั้งใจอันนี้ไม่ได้มีมาตอนที่มาอยู่ในห้องเรียน แต่ว่าได้เริ่มต้นมาแล้วตั้งแต่ เ, เริ่มตั้งใจเริ่มที่จะมาเรียนสมาธิความตั้งใจอันนั้นจะต้องมีความพร้อมหลายอย่างคือพร้อมด้วยศรัทธาพร้อมด้วยปัญญาศรัทธานั้นสร้างความเชื่อเอาไว้ก่นอนจะยังไงก็ตามสร้างความเชื่อไว้ก่อนเมื่อความเชื่อสังเกดขึ้นอันตรแรก ส่วนอื่นจะตามมาถ้าความเชื่ออันดับแรกนี้ไม่มีอย่างอื่นตามมาไม่ได้เมื่อความเชื่อเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือปัญญาปัญญานั้นหมายถึงความรอบรู้ความเข้าใจในเหตุผลเมืเ่อมีศรัทธาว่าสมาธิเป็นสิ่งที่ดีที่ให้ประโยชน์ สามารถทำให้เรานี้ได้รับความสุข mm hmm. เมื่อมีศรัทธาอย่างนั้นแล้วปัญญาก็ต้องคิดว่าจะให้ความสุขจริงหรือไม่แต่เราก็ได้ยินได้ฟังอยู่ตลอดเวลาว่าคนโน้นคนนี้เขาทำสมาธิหรือบางคนยิ่งใส่ใจนั่นอ่านสาหรับตำราเกี่ยวกับเรื่องสมาธิก็มีความสนใจเกิดขึ้น นั่นโดยอาศัยปัญญาการที่หลวงพ่อได้เขียนไว้ว่าเริ่มต้นความประสงค์ศรัทธาเพื่อจะทำสมาธิโดยไม่ได้คิดว่าการทำสมาธินั่นคือการทำเล่นเรากำลังทำอะไรกำลังเริ่มความสงบของใจอันนี้เป็นไตร่ตรองไตร่ตรอันนี้ก็คือว่าการทำสมาธินั้น เป็นเรื่องเอของผู้ที่กําลังจะเอาจริงเอาจังไม่ใช่ว่ามาลองหรือไม่ใช่ว่ า, าคิดว่าเห็นเขามาเราก็มาหรือไม่ใช่คิดว่าไอ้การทํานี่ทำก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละแต่ว่าเสียไม่ได้ก็มาถ้าลักษณะเกิดขึ้นในกรณีเช่นนี้ในใจแล้วการที่จะเริ่มสมาธิมันก็รู้สึกว่าจะบกพร่อง ในที่นี้หลวงพ่อไดอุปมาว่าขณะนี้ข้อ น, นี้ก็เปรียบเทียบเหมือนคนกำลังทำกับข้าวการปรุงอาหารเราเตรียมใจไว้ว่าเราจะทำของหวานหรือจะทำของเผาเราตั้งใจที่จะทำสมาธิเราตั้งใจว่าเราจะทำให้ เ, เกิดผลขึ้นมาซึ่งคาดการแล้วว่าจะต้องได้รับความสงบใจ เพื่อเพื่อทํากับข้าวเขาก็จะต้องมีทั้งเครื่องมือมีทั้งมีดมีทั้งหม้อมีทั้งผักมีทั้งปลามีทั้งทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วที่จะแกงหม้อนั่นขึ้นมาหรือพร้อมแล้วที่จะแกงหรือจะทำของหวาน ท, าวทองอยู่ไวทองสิงเหล่านี้ที่เปรียบเทืยบขึ้นมานั้นเปรียบเทือบถึงใจ ใจของคนเรานี่ที่เตรียมว่าจะทําสมาธิเมื่อเตรียมที่จะทําสมาธิความเตรียมเหล่านั้นไม่ใช่มีดไม่ใช่ปลาไม่ใช่ผักแต่ว่าเป็นอาทุกสมานกายยาที่บาทย่อมสมานกายให้สักนิดหนึ่งว่าคนเราเนี่ยมีกายอยู่สงกายกายหนึ่งคือร่างกายที่เราเดินอยู่นี่พู้ขี่นี่เรียกว่ากายหนึ่ง อีกกลายหนึ่งนั่นคืออาทิษมานกายอาทิษมานกายนั่นจะอยู่ที่ขณะใดาที่เราหมดความรู้สึกในร่างกายอยากคือกายอันนี้เมื่อไรร่างกายหรือร่างกายหนึ่งคืออาทิษมานกายก็จะเข้ามาทําหน้าที่แทนเวลาที่เราหมดความรู้สึกจะเป็นการ น, นอนหลับร่างกายอันนี้จะ เมื่อหมดความรู้สึกแล้วหน้าที่ของใจก็จะต้องเข้าไปสู่รายละเอียดคืออธิษมานจายอธิษมานกายนั้นไม่ได้ทําได้เหมือนกันกับกายหยาบที่คนละหน้าที่หน้าที่ของกายหยาบนั้นเดินหน้าที่ของกายหยาบนั้นพูดหน้าที่ของกายหยาบนั้นทําความรู้สึกหน้าที่ของกายหยาบนั้นประสานงานให้เป็นไปตามคําสั่งของใจ หน้าที่ของใจละเอียดเป็นหน้าที่ที่จะจับมนโนภาพมนโนภาพที่ใจเนี่ยได้เก็บเอาไว้จะเก็บเอาไว้อะไรก็ตามเจอใจเนี่ยอาจจะเจ็บเขรัอาจจะเจ็บนรกอาจจะเจ็บญาติน้องอาจจะเจ็บพ่อแม่อาจจะเจ็บอะไรต่างๆไว้คิด เ, เอาไว้ถ้าหากว่าอิทธิบาตเราได้ขึ้นมา เราได้อิทธิบาทตัวที่หนึ่งขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเงินบาทก็จะไม่ลอยตัวทีนี้ก็จะเป็นที่แน่นอนถ้าหากว่าทั้งได้สรรพไม่ได้เกิดขึ้นนี้่อความทวนแรงของใจเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อความรวนแรงของใจเกิดขึ้นแล้วผลที่ออกมาก็คือไม่ใช่อิทธิบาทคืออิทธิบาทเสียไปเหสียจะอิทธิบาทก็แปล ว, ว่าอะไร อิทธิบาทแปล ว, ว่าคุณเครื่องให้เกิดความสําเร็จเรียกว่าอิทธิบาทเพราะฉะนั้นความพอใจที่เกิดขึ้นมาแก่ตัวของเราในอันดับแรกนี่หรือว่าเรากําลังพบหรือเรากําลังได้หรือเรากํากลังจับอิทธิบาทให้มาเป็นของเราอันนี้เป็นประการแรกของความตั้งใจความพอใจดังกล่าวแล้วเป็นต้นว่า พอใจในเหตุผลของการแนะนําพอใจในสถานที่พอใจในตัวของบุคคลผู้สอนความพอใจเหล่านี้เกิดขึ้นมาเองโดยที่ไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นมาและเราปรุงแต่งขึ้นมาว่าไม่ชอบแต่ฉันจะปรุงแต่งให้มันชอบขึ้นไม่ต้องการฉันก็จะปรุงแต่งให้มันต้องการขึ้นอย่างนี้เรียกว่าปรุงแต่งขึ้น แต่การปรงแงสงขึ้นเราเนี่ยไม่สามารถที่จะปรุงแต่งขึ้นได้แต่ปรุงแต่งขึ้นได้ก็เพียงว่าเป็นความคิดเพราะฉะนั้นวิธีบาทอันดับแรกที่เกิดขึ้นมาในตัวของนักศึกษาทั้งหลายนั้นนั่นคือคุณเครื่องให้เกิดความสําเร็จในอันดับแรกเพราะวิธีบาสข้อที่หนึ่งเกิดแล้วข้อที่สองจะตามมาขันธะข้อที่สองคือวิริยะ ปริยัตหมายถึงความเพียรความเพียร น, นั้นการนั่งสมาธิเราถือเป็นความเพียรการเดินทางจากบ้านมาสู่ห้องเรียนถือเป็นความเพียรการนั่งโดยความเชื่อว่าเราไม่หวั่นไหวด้วยความตั้งใจเราถือว่าเป็นความเพียรคัามเพียร น, น, นี้เป็นอิธิบาทข้อที่สองเพราะว่าเมื่อเกิดความพอใจแล้วทางไกลก็เหมือนใกล้ เมื่อความไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วทางใกล้ก็เหมือนใครมีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อว่าโคศยะเศรษฐีเป็นคนที่จะหาานีมาหาศาลพอเวลาภรรยาไปใส่บาตรจะไปดูเอาเอาของไปใส่ทำไมตัวของตัวเองจะรับประทานอะไรสักครั้งหนึ่งขนาดเป็นเศรษฐีมีเงินตั้งสี่ร้อยล้านแต่จิ้งจอกอว่ากันเดอะเนี่ย แต่ตอนก็คงไม่มีจอกล้วจึงชอบครับชามหนึ่งโอ้โหบอก็มึไปซื้อเท่าไหร่จอกชามหนึ่งสิบบาทคูไม่กินซื้อแผงไปเมื่อเชือโกสยะเิถือทีนี้พระพุทธเจ้าแนะนําให้ท่านขโมกคันลาอไปเพื่อที่จะไปทรมานเศรษฐีขี่เหนียวนี่ยให้หายที่เหนียว พอนอกคันลาก็ก็ไปยืนเนื่อไปยืนอยู่ที่หน้าบ้านยืนอยู่นานเศรษฐีก็รําคาญเนี่ยเพราะว่าวันเนี้ยเป็นวันที่เศรษฐีอยากกินขนมเบื้องไปเอาแป้งเอาน้ําการอะไรมาเตรียมไว้หมดแล้วก็ทอดขนมเบื้องพอทอดขนมเบื้องเสร็จพร็ยังไม่ไปอีกยังยืนอยู่เศรษฐีก็เลยบอกภริยาบอกว่าอา่าเน ตักออาไปสักหน่อยนึงถ้าไปใส่บาดให้ไปไปสักภริยาก็เอาสักผีไปตักพระโมกขันลาเขาก็สแสดงฤทธิ์พอตัดหน่อยหนึ่งมันก็ติดหมดตักอะไรมันก็ติดหมดเอ้า ก, กูบอกแล้วเนี่ยบอกพออมึงให้ตักหน่อยเดียวถ้าตักเพงมันติดหมดจะทาะําไงอ่ะหังให้มากูตักเองถ้าไปตักเองก็ติดเองเอาอย่างงั้นมึงดึงข้างนั้นกูดึงข้างนี้ เพราะไงสองคนดึงก็เหยียดแย่เหยแย่มันก็ไม่หลุดในที่สุดพรโมกขันลาท่านก็ยืนอยู่นั่นแหละมันบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่ากูไม่อยากเห็นพระมันเลยปิดประตูครับสพยายาก็ไปปิดประตูเพื่อจะไม่ให้เห็นพระโมกขันลาท่านก็หอมายืนที่หน้าต่างแม่บอกว่าปิดนู่นแล้วยังโศมานี่อีกแน่ในที่สุดเมื่อดึงขนมเบื้องไม่ผ่าดสายบายก็ใส่เถอะ เขาโมกขันลาผมว่านี่มนฑ์นะนี่มณฑ์นะเขานาต่างมาเลยเขาโมกขันลาผกว่าเออใครนี่มณฑ์กูมาเขาก็เอาขนมเบื้องเนี่ยใส่บาตรเขโมกขันลาก็เลยบอกว่าขนมเบื้องก้อนนี้นะถาวายพระได้ตั้งห้าร้อยองค์เขาบอว่าขนมเบื้องใครเนี่ยถาวายพระได้ห้าร้อองค์ได้ไม่เชื่อก็ไปที่วัดพระเศษสวรรค์โอ้พระเศษสวรรค์นเนี่ยเดินจากนี้ไปตังหลายยอด แล้วจะทันฉันเลยเขาบอกเศรษฐีว่านี่เศรษฐีถ้าศรัทธาแล้วนะกระดของพระศาสนาเศรษฐีนี่จะติดเธอะดัวัดเศตวัลถ้าหากไม่ศรัทธาแล้วนี่มันไกลแสนไกลจริงนะเพราะงั้นถ้จริงสิพระมกขันลาเลยอธิษฐานให้พระบาสทนั่นเคลื่อนไปติดวัดเชตษวันพอดีเศรษฐีเลยเอาขนมเรื่องแระเชนพระพุทธเจ้า เมื่อพระเคนพระพุทธเจ้าแล้วที่เจ้ากราบฐานด้เบริศค่าห้าร้อยองค์ฉันขนมเบื้องอิ่มหมดยังเหลือพราะว่าเมื่อเหลือแล้วก็เป็นหน้าที่ทั้งเศรษฐีทั้งสองคนที่จะกินขนมเบือเ้องเศรษฐีกินขนมเบื้องสองคนก็เหลืออีกเราก็ลเลยถามพระพุทธเจ้าว่านี่ขนมเบื้องเหลือจะทํำไง เจ้าก็บอกว่านั่นน่ะโยนลงไปที่ข่างะลาตรงนั้นมีหลิงก็เลยเอาขนมเบื้องฮะโยนลงไปข้า ง, า ง, า ง, างล า, างลาหลังนั้นจึงมีมุมนั้นจึงเรียกว่ามุมขนมเบื้องจนกระทั่งแบบนี้เรื่องของเรื่องที่พูดมานี้เพราะว่ามาถึงวิริยะคือว่าถ้าหากว่าศรัทธาแล้วละใใระดับใดใกลเท่าไรก็ใกล้ ทำให้สัาแล้วใกล้นิดเดียวก็เป็นไปนี่เป็นข้อที่สองอิทธิบาทข้อที่สามปัญญายุทธะทีนี้ก็มาถึงจิตตะจิตตะแปล ว, ว่าความใส่ใจความใส่ใจนั้นเป็นอิทธิบาทข้อที่สาเราจะได้หรื อ, อยังถ้าหากว่าเวลาเรียนตั้งใจที่จะรับว่าท่านแนะนําอย่างไรมีข้อความอะไรที่จะควรได้รับก็มีความตั้งใจ ในขณะที่เราเรียนถ้าเราไม่มีความตั้งใจแล้วเนี่ยมันจะไม่เข้าใจว่าเวลาอธิบายไปนี้หมายความว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นในขณะที่เราเรียนถ้าเราไม่มีความตั้งใจแล้วเนี่ยมันจะไม่เข้าใจว่าเวลาอธิบายไปนี้หมายความว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเป็นเช่นนั้นอปฏิบาตข้อที่สามก็เสียไป แต่ถ้าหากว่ามานั่งตั้งใจฟังว่าจะต้องรับข้อนั้นจะต้องฟังข้อนี้อย่างนี้ความตั้งใจคลิปที่เรียกว่าอิสระก็ปรากฏขึ้นมาในตัวของเราโดยที่เงินบาทไม่ต้องลอยตัวแต่มันมาอยู่ที่เราแล้วเวลานี้เรานั่งสมาธิมีความตั้งใจเอาใจใส่ว่าเวลานี้เรานั่งสมาธิเราก็ ตั้งใจนั่งสมาธิอย่างแน่วแน่อันนี้เขาเรียกว่าอิตต์เมื่อเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นตัวของบุคคลผู้นั้นได้รั บ, บิทธิบัติข้อที่สี่แล้วข้อสุดท้ายข อ, องปฏิบัติสี่ก็คือวิมังสาวิมังสานั้นหมายความถึงว่าการไตร่ต ร, ตรองความไตร่ตรองนั้นหมายถึงว่าเมื่อเราศึกษาแล้ว ไม่ใช่ว่าเรียนร่าไปเพน่อเปล่าเพราะเราเรียนแล้วถ้าเรามีความเข้าใจแล้วเราก็ใช้การไตรตรองอีกครั้งหนึ่ง เ, เช่นบอกว่าความตั้งใจนี้เป็นประการสาคัญเกิดความตั้งใจแล้วเพราะเกิดมีความศรัทธามีความเชื่อการไตรตรองนั้นบังเกิดขึ้นแก่ตัวของบุคคลคนนั้นแล้วหรือเวลาที่เรานั่งสมาธิ เกิดความสบายเกิดความสว่างเกิดความปกติเกิดสิ่งที่ไม่เคยเกิดการไตรตรองเกิดขึ้นว่าอันนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรอเกิดขึ้นมาได้เพราะเรานั่งสมาธิอย่างนี้เป็นต้นความไตรตรองอันนี้จะต้องมีในตัวของนักศึกษาว่าความไตรตรองอันนี้จะต้องคิดพิดจารณาให้รอบคอบ ในการที่เราจะดําเนินการต่อไปไม่ใช่ว่าเราใ ต, ตรองแล้วก็เลิกไปการใจจองแล้วต้องมีการต่อเนื่องหมายถึงว่าเมื่อเราใจรองจนกระทั่งได้ดวความว่าอันนี้เป็นอย่างนี้แล้วเราก็ดําเนินการต่อไปเ้าเรียกว่าดําเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องเพราะเราได้่ตรองดีแล้วเหมือนกันกับเราใตรองดีแล้วแล้วว่า ใช่สุกี้ร้านนี้ฉันอร่อยก็สุกี้อะไรไม่รู้อาจจะเป็นร้านโคคาหรืออะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเราใจตรองดูแล้วว่าร้านอื่นมันสู้ร้านนี้ไม่ได้ทีหลังมาเราจะไปร้านนี้อีกเพราะว่าร้านนี้อร่อยเมื่อเราใจตรองดูแล้วเราก็กลับไปรับประทานอีกเอคนก็เข้าไปติดว่าร้านนี้มีอาหารอร่อย อันนี้เรียกว่าเป็นการไตรตรองอันนี้เปรียบเทียบออกมาข้างนอกแต่ถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบเข้ามาถึงตัวของเราในการไตรตรองว่าการทำสมาธินี้บังเกิดผลขึ้นอย่างนี้การศึกษานั้นได้บังเกิดผลขึ้นมาอย่างนี้เราไตรตรองพอไตรตรองอย่างนี้แล้วอกธิบัต ท, ทั้งสี่ได้บังเกิดขึ้นในตัวของเราแล้วอย่างสมบูรณ์ หมายความว่าเรามีเงินเงินนั้นไม่ได้ลดค่าเงินนั้นยังปกติเรียกว่าเราก็เป็นเศรษฐีตามปกติเหมือนกันกับผู้ที่มีอิทธิบาทผู้ที่มีอิทธิบาทนั่นเขาเปรียบเหมือนกับคนที่เป็นเศรษฐีผู้ไม่มีอิทธิบาทนั่นเขาเปรียบเหมือนกับคนจนเพราะฉะนั้นผู้ที่มีอิทธิบาทจึงสามารถต่ออายุของตัวเองได้สามารถที่จะทางาน จะเป็นธุรกิจหรือว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ครอบครัวก็สามารถบรรลุผลความสําเร็จเพราะว่าอิทธิบาทนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะบรรลุความสําเร็จเฉพาะการทําสมาธิเท่านั้นแต่ว่ากิจการงานอื่นๆทุกอย่างอิธิบาทสามารถที่จะทําให้เกิดความบรรลุได้บรรลุความสําเร็จได้อ้ย ไอ้ลำํำทองยังไงก็ใหม่รู้เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเดี๋ยเงินตั้งเป็นเยอะเออไม่ไหวอ้าเพราะว่าแล้วไปจะแจงออกมาแล้วทีทนี้อ่าทีนี้นอกจากในเล่มนี้หลวงพ่อก็มีเขียนไว้ในชีวาถ้าหากว่าเออทีหลังมาต้องการเราจ ะ, จะได้พิมพ์นี้ให้เพราะว่า ในคิดนี้ก็อธิบายนอกเหนือไปจากในเล่มนี้ต่อไปก็คิดว่าจะต้องให้นักศึกษานั้นได้ถามตอบกันไปตามภาษาลูกศิษย์อาจารย์การถามอะไรต่างๆก็ไม่ต้องเกรงนะตามสบายถือว่าเราลูกศิษย์อาจารย์กันก็หมายความว่าคุยกันก็อนุญาตให้คิดว่า อคงจะได้แสดงความสามารถในการถามหลวงพ่อก็จะแสดงความสามารถในการตอบถูกว่างผิดบ้างก็อาัยกันไปกัแล้วกันอ่าก็มาถึงเลขที่หกสองหกคุณทินเรืองวานิช อ, อยู่ตรงนี้เองครับนัการท่นรานอาจารย์ครับวันนี้ไม่มีปัญหาที่จะเรียนถามกับเรียนถามท่นานอาจารย์ครับ ขออนุ ญ, ญาตผ่าน พ, พ้ไปก่อนจิขอกระมาครับ น, นี่คนที่แรกเงินสางประเทศนั่นเนี่ยทำเงินบาร้อยตัวเนี่ยต่ <c oughs> อไปขอเชิญคุณทุติมพลพรยั่งยืนกราบนมัส ก, การท่านอาจารย์จิตมีคำพูดจะเรียนถามท่านอาจารย์คือเอ็นไปข้่งหลังนี่ ให้ทองแอน่นี้หลวงพ่อเคยหนยทองแล้วเมื่อคราวที่เดินทุดงไปถึงเขาผูกคาแล้วเขาผูกคานี่นน่ะก็พานั่งสมาธินานวันนั้นคิดยังไงก็ไม่กราบเราจะไม่นอนละ ว, วันนี้เป็นไงเป็นกันก็เลยนั่งสมาธิหัวค่ำก็ไม่เป็นไรพอค่อนแจ้งเขามา ก, ก็ไปนั่งมีตาแก่คนนึงนั่งอยู่ด้วย สัตว์งออกไปข้างหน้าสัตไปสัตไปไม่เป็นไรพอสัุณ์งกถอยหลังหงายทองมันอะตัวน้ําภูเขามันพันอะกลิ่งไปหลายลตลบกลิ่ชขาวมาก็ไปบอกพระอาจารย์บอกว่าเมื่อคืนนี้ผมนั่งสมาธิหงายทองตกภูเขาแหมมันทําอะไรอย่างนั้นพอเวลาที่มันจังว่วงแกก็ลืมตาเสะเซาผมมันลืมตาไม่ขึ้นนะ น่วงแต่ว่าอันนี้ก็พูดเป็นเพลงที่ว่าไม่ใช่พูดเล่นหรอกคือว่าถ้าเวลาที่มันเกิดอาการเอนละเราควรจะเตรียมลืมตาขึ้นแล้วก็ตั้งตัวกรงแล้วก็ตั้งสงตงสิต่อพระอาจารย์ท่านให้ทำอย่างนั้นแต่เวลาที่ลืมตานะั้นเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเสียหายสมาธิจะเสียหายก็ไม่ใช่เราลืมตาแล้วเราจะตั้งตัวแล้วก็ตั้งต้งนใหม่ ต่อไปก็ขอเชิญคุณพุรีพรเจดทำรงนักวิชการของพ่ออันี้อาจจะนอกเรื่องหน่อยนะคะคือหนูสงสัยจากหน้าปกอาหารแล้ปกหนังสือหนูเห็นเป็นแสงรอบรอบสีชมพูนเนี่ยมันเป็นพลังอำนาจอย่างหนึ่งหรือเปล่าคะที่พอาจารย์แสดงออกมาจุดจุดพลังอำนาจออกรัศ <laughs> <laughs> มีออก <laughs> <laughs> อ สิ่งแรกก็ไม่ใช่หละความจริงเนี่นก็คื อ, อเทคนิคของคนที่เขาถ่ายภาพอยงั้นหนูขอถามอีกข้อหนึ่งเลยแล้วกันการเคลียร์ปลายประสาทสุดท้ายของกายหยาบเนี่ยมันคืออะไรคะเป็นยังไงการเคลียร์ประสาทของกายหยาบนั้นยังมีข้อต่อไปอีกข้อที่สี่ที่ห้าเลยแต่ว่าก็จะตอบว่ในที่นี้ว่าการเคลียร์ประสาทหลายยอดประสาท คือการเคลียอารมณ์แต่การหมดอารมณ์นั่นผูท้ที่นอนหลับก็เคลียประสาทแบบธรรมชาติแต่ว่าเรานั่งสมาธิเนี่ยเราเคลียประสาทแบบสมาธิสร้างขึ้นเพราะฉะนั้นอันดับแรกเราจึงต้องนึกพุทโธเมื่อนึกพุทโธแล้วอารมณ์ต่างๆาก็หมดไปมนันก็เหลือความเป็นหนึ่งเื่อเหลือความเป็นหนึ่งในที่สุดก็หมดความรู้สึกจิตเข้ารวังนั่นคือการ เคลียบปลายประสาทของกายาบค่ะขอบคุณมากค่ะอาข้ามนะเนี่ยเอชมคนแคนสีไม่ได้ข้ามไปขอชุมคนแคนสีกลับนวัตการพระเดชพระคุณหลวงพ่อกรัผมแบบผมจะขอเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องบริกรรมครับผมการบริกรรมเนี่ทุกคนก็คิดว่าบริกรรมเป็นนะฮะแต่ว่าไม่ทราบว่าถูกจุดหรือเปล่าหลายหลายท่านที่ผมได้คุยด้วย บางท่านก็บอกว่าใช้พุทเข้าโทออกพุทเข้าโทออกพอมาเรียนกับหลวงพ่อปรากฏว่าท่านอยากให้เป็นเป็นอย่างตามหลวงพ่อจริงๆก็คือพุทโทพุทโทพุทโทนะฮะแล้วจุดหน้าผากบริกรรมที่จุดหน้าผากก็ดีที่จุดหอวอกด้านซ้ายก็ดีตรงหน้าก็ดีบริกรรมเหล่านี้จุดไหนที่เป็นบริกรรมที่เหมาะสมที่สุดและมีประโยชน์ต่อสภาพจิตและกายมากที่สุดครับ เอการบริกรรมเพื่อไม่ให้เกิดการกังวลก็ไม่ต้องเอาพูดเข้าโทออกคือเราไม่ต้องไปเป็นห่วงลมหายใจทีนี้สําหรับการตั้งหน้าผากก็ดีเฉพาะหน้าก็ดีหน้าอกเบื้องซ้าก็ดีเท่าน้อยก็ดีมีผลเท่ากันหมดสุดแต่ว่าความสะดวกของแต่ละบุคคลถ้าทำบริกรรมนั้นก็เพียงว่าเป็นแนวทาง เบื้องต้นเพราะฉะนั้นคำริกรรมจึงอย่าให้เร็วนักและก็อย่าช้านักพอเหมาะพอดีโดยที่ไม่มีการเกรงอย่างเรานึกพุโทโธไว้เฉพาะหน้าก็ได้แร้วนึกพุโทโธไว้ที่หน้าผากก็ได้เรานึกพุโทโธไว้หัวเปลือกซ้ายก็ได้ผลจะมีเท่ากันแต่ว่าถ้าเราจะทําตรงไหนเนี่ยให้อยู่ตรงนั้นโดยเฉพาะอย่าไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าคำริกรรมนี่เยอะ ข้างหน้ายัางมีอีกเยอะที่จะต้องอธิบายก็วันนี้อธิบายเท่านี้ไปก่อนขอบพระคุณครับไปขอเชิญคุณชูจิตอาภัสวัตจีวมานาสการ์พระอาจารย์จิตมีข้อสงสัยที่นอกเหนือจากสาระที่พระอาจารย์สอนนี่จะถามได้ไหมคะได้ถามไปเลยชมพูทวีปนี่มีความพิเศษอย่างไรดีอย่างไรทําไ ม, 9, รมพระพุทธเจ้าทั้งยีสิบพระองค์ เวลามาตัดเบเจ้าจะต้องมาจตุจีมชมพูทวีปค่ะชมพูทวีปก็ในปัจจุบันเรียกกันว่าประเทศอินเดียที่เรียกว่าชมพูทวีปทีนี้ชมพูทวีปที่ว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องไปที่นั้นก็เพราะว่าที่นั้นมันมีนมความทุกข์เยอะไปที่อื่นมันก็มีความเจริญมีแต่ความสุขก็เลยพระพุทธเจ้าที่ทรงได้พิจารณาว่า สถานที่อันนี้เขเรียกว่าปฏิรูปประเทศคือปฏิรูปประเทศนี่จะเป็นสถานที่พร้อมไปด้วยนักปราชญานักปราชญาไม่ใช่นักปราชญาคิดโลกาภิวัตน์แต่ว่านักปราชญาที่คิดธรรมาภิวัตน์มีอยู่มากเพราะฉะนั้นจึงได้ถือเอาว่าชมพูทวีปหรือประเทศอินเดียเป็นประเทศที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องไปอุปบังเกิดขึ้นที่นั่น ก็คงตอบได้เท่านี้เอออยากจะถามอีกข้อนะพระปัจเจกพระพุทธเจ้ากับพระพุทธเจ้าต่างกันอย่างไรคะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสู้เองโดยชอบและมีพระเมตตาสามารถช่วยเหลือมนุษย์ต่างๆให้พ้นทุกข์ได้เป็นจํานวนมหาศาลส่วนพระปัจเจกพระพทธเนั้นตัดสู้เองโดยไม่มีใครเป็นครูเหมือนกันแต่ว่าสอนคนอื่นไม่ได้ไม่มีเมตตาพอที่จะสอนคนอื่นได้ ย อ, อยาก่ารูจะปอดตัวถ้าอย่างนั้นนี่พระปเจกเวลามาตัดนี่จะต้องตัดช่วงที่เอ่อกลับนั้นว่านจากพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะอ่าก็ใช่เอาท่านี่แหละรูแล้วก็ถามด้วยอ่าขอเชิญคุณเชษฐาพิพัฒชัยสิทธิ์สามหนึ่งสมนันการท่านอาจารย์ครับถามว่าพลังอำ น, นาจและก็ผู้รู้ อาทิตย์มนกายเนี่ยต่างกันอย่างไรครับเนี่ยยังสอนไปไม่ถึงเลย <c oughs> คงจะรู้ข้างหน้าจุดพลังอำนาจคือศูนย์รวมของพลังจิตอาทิตมามนกายคือกายละเอียดที่มีอยู่ในกายเราเนี่ยพเวลานอนหลับฝันอาทิตมานกายจะล่องหนไปตามเรื่องแต่ไม่ใช่อย่างที่เขาเอาไส้ห้อยแล้วก็มีหัวแล้วก็ล่อนไปอย่างนั้น <c oughs> ไอ้พวกนี้มันทำกันยังไงไม่รู้ต่อไปก็ขอเชิญคุณแชทย์ูรมยานนท์ขอกลับนมันการพระอาจารย์เจ้าค่ะขอเรียนถามท่านว่าคนที่จะตายจิตจะเข้าพวงังหรือจิตจะออกจากร่างกายบา บ, บุญและสมาธิจะมารวมในวินาทีนั้นแต่คนจะตายมีอาการเจ็บปวดมากขอเรียนถามท่านว่า สมาธินั้นช่วยลดความเจ็บปวดได้ไหมคะคือเวลาที่คนจะตายเนี่ยก็จะจิตจะต้องเข่ารวังคนที่จะเกิดจิตก็ต้องเข่ารวังเพราะฉะนั้นอคนที่จวรจะตายถึงแม้ว่าจะมีเวทนาแก่กล้าเจ็บปวดหรือทนพอสิ้นความเจ็บปวดจิตเข่ารวังความเจ็บปวดนั้นก็จะหายไปหมดสมาธิที่ได้จะทำเอาไว้แล้วเนี่ยมากน้อยเท่าไหร่ก็จะเข้าไปรวมเพราะว่าสมาธิไม่ได้อยู่ที่อืน่น ก็ อ, อยู่ที่จิตของบุคคลคนนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่จิตจะออกจากร่างสมาธิจะรวมตัวกันในวินาทีนั้นสามารถที่จะช่วยบุคคลคนนั้นได้ทันทีผู้ที่ไม่ได้ทำสมาธินั้นพอเวลาจิตออกจากร่างเข้าสู่อธิษฐานกายเหมือน ก, นกันกับเดินไปในที่มืดก็สุดแล้วจะ ก, กรรมเนี่ยก็จะจูงไปทางไหนแต่คนที่มีสมาธิที่ได้ทาไว้แล้วนั้น พอเวลาจิตจะออกจากร่างไม่มืดสว่างสามารถที่จะเลือกได้นี่คือผลของสมาธิที่ท่านแสดงไว้ในคันภีวิสุทธิมรรคเอาละตอนนี้